อาตมาขอใจใจอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั่นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จตสมมาสามพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรม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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เร่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสีคือทุกสมมทไยนิโรธมักเป็นตน้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้าง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 คามเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมซึ่งเรียกว่าอันิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงกันแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว งเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวธรรม <c oughs> หมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวธรรม <c oughs> ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรา มีประจําตัวกันอยู่ทุกคนสภาวธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวธรรมแล้วสถานการณ์หรืสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวธรรม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 เหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีลห้ารักษากรรมบุตติดเมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบ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 ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีการมีความรู้สึกฝืนกดของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์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 สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบ <c oughs> ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้ว <c oughs> ก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกติดของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจรงิงเริ่มตนแต่ว่าชลาธรโ ม, ม, มหิ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำมอมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทรมอ ม, มหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพลาะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริง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 เป็นขนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาะบินเดกัตสิเดกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองย่าวลครองเลือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุประโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังถือว่าเราน้อยน้ า, าน้อยหน้าต่ำตา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 ที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา <c oughs> เช่นอย่างปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อตินาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิชขาจาร์เว้นจากการประพฤติในกามโมสาวาดพูดเทศสุราดื่มของเหมือนเมาถ้าใครสมทานรักษาศีลห้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ได้เชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดสีล5ห้าข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้น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 ก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากมากขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมถะภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นทีนี้ฆราวาสโดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้า เว้นจากการฆ่าสัตว์รักับประพฤติผิดในกามุสาวาดแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของห อ, อมเครื่องย้อมเครื่องทาได้โดนหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีล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 มันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยิบฐานะาของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหน <c oughs> ก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเอง อย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผล เ, เขียนคาว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาโบสถ์อดข้าวเย็นเราได้รับทุกขวเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เต๋าแล้วก็ไปพอใจไปติดใจในคาว่าการอดข้าว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 ไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้าสัมมาล拉หังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านใครยังสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มัน่นท่านสอนให้ภาวนาพุทธโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทธโธความสาคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริง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 อาจารย์ใหญ่วิปัสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมา阿拉หังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทาไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความงสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็หลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับ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 เพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลาดความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งร้านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อน ุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ <c oughs> ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจม่าบอพิตพอได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้ว การนอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนตอนที่หนึ่งท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทธโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจารณ า, าธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการ ภาวนาพุทธโธหรือเรียวกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั้นนั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เตาท่านอาจารย์เตาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตามื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากาหนดจิต นึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธคำเดียวไรจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไป จิตอาจจะส่งกระแสะไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียเนึกอดโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนึกอยก่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึก หน้าที่ของท่านมีแต่เึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจเนกเบาเบอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเก่งกล้ามเนื้อต่า ง, างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายเนกถึงอารมณ์พุโทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็เนกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิต เอาจิตไว้ที่พุโทโธในเมื่อเราในเมื่อเรานึกพุโทโธพุธโทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุโทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุโทโธนึกออยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่า เมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้ม เ, มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่ อ, อจจตสงบุบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลาย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 ให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุโทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิมลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนา <c oughs> ทีนี้ในอันดับต่อไป เมื่อจิตของเราสงบคู้ลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยเฉยเราจะทําอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กําหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกําหนดรู้เฉย อ, อยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป <c oughs> <c oughs> เป็นลําดับลําดับลงไป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 เมื่อก่อนนี้เราเห็นในจิตของเราว่าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเพื่อบริกรรมภาวนาธรรมจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกลึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัสนลมิทังพิกเวจิตตัง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 เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมัจิตปฐมสมาธิปฐมบิญญาณมะโนธาตุีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เดียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้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 ในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากําหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในถ้ำกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยกา ร, กรทาอย่างนี้บ่อยๆเข้า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 เพื่อพิจารณาพระไตรักษได้ <c oughs> เราต้องพยายามปึกษาดจตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นเย็นอย่าไปทำย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆย็นถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่ง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 สองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิต ท, ทรงกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตระนันไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็าจะตามเทวดาไปถ้านลกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์โลกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิต ท, ที่ส่งกระแสออกไปข้างนอก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 หลงว่านิมตต์นั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็บอกคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจนี่เราจะเข้าใจว่าพูดผีปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมวันนี้แกแผ่ส่วนบุญขึ้นมาเทไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไป ในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพ <c oughs> ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำลบรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้น <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจ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 อนุษติสิบข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่แปดใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิ <c oughs> เท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติสองข้อข้างปลายคือข้อแปดกับข้อเก้าข้อเก้ากับข้อสิบกายคตาสติ กับอนาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทมจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นก็าอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนารมจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐาน อันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอาสุภกรรมฐานนั้นก็ยยดเอากาจักตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ <c oughs> โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐานห้าเป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเนนท่านบวชอุปชายะ ท่านจะสอนให้สอนกรรมฐานห้าให้เรียกว่าตาจัปัญจกกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูตะโจทันตาณขาโลมาเกสาแล้วท่านก็นย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเละบฟันหนังเป็นของปฏิูลหนาเกยียดโ ข, โขไม่สวยไม่งาม เพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสงังไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก ที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอูบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฝันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่า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 ถ้าเผื่อว่าร่างกายนี้มันแตกดับทําลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิโก้าเกลียวโสโครกมันก็ยิ่งจะปลากฏดชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมตมองเห็นสิ่งทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิกูลนาเกลียโสโครกจริง เพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจนดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ้มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสตระเพิดปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเขียนจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนําไว้ ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขวรเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลนหน้าเกลียดเน่าเปือยผุกพังได้อสุภกรรมฐานํำนิชํำนานแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนาให้พิจารณากายทั้งหมดเน้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 เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิเมิตรว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสีท่ทีน้ำลมไปอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นได้ว่าจิตบารลุอนรถ ต, ตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว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 นั่งให้สบายจะนั่งพับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่าน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 ก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นผู้ของใจ เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่เลิกพุทธโธธรรมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทธโธต่อไปอีก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 เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทําจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้นะโอกาสใจโอกาสนั้นพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้ว จิตของท่านถึงประพุทธธรรมประสง์จิตของท่านพบประพุทธธรรมประสง์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทธโธอีกเพราะการนึกพุทธโธอีกกันจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไป กำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตตัวว่าจิต ส, ส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบ